ในคาถาที่สามสิบสามได้ยินว่าพระราชาพระองค์หนึ่งในกรุงพาณาสีได้จตุทชาญองค์กรได้ประทมาชาญองค์นี้ได้ชาญที่สี่เลยเก่งมากเสร่าเท้าเถอก็สละราชสมบัติเพื่อตามรักษาชาญก็พนวดเจริญวิปัสนาอยู่ทำให้แจ้งซึ่งปัจเจกโพธิยานเมื่อจะแสดงสัมปทาการถึงพร้อมแห่งการปฏิบัติของพระองค์จึงตรัสว่า บุคคลละสุขทุกโสมนัตโทมนัตก่อนได้แล้วได้อุเบกขาและสมถะอันบริสุทธิ์อันนี้ก็คุณธรรมของจตุทธารมทั้งหมดพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนนอแรศฉะนั้นก็อาศัยจตุทธารเป็นบาทในการเจริญวิปัสนาบรรลุเป็นพระปัจเจกคือตรงนี้ก็อธิบายคุณธรรมของปฐมฌานเนี่ยนะว่าปฐมฌานละสุขละทุกละโสมนัตและโทมนัก่อนได้ นะนละอุเบกดำรงอยู่ด้วยอุเบกขาและสมถ t อันบริสุทธิ์นะแล้วก็อาศัยอันนี้เป็นบาตเจริญวิปัสสนาก็บรรลุอริยมรรตเนี่ยนะส่วนคําอธิบายก็ศึกษาในจตุทัชฌานอวะละกันเนี่ยนะเพราะท่านบอกว่ารายละเอียดน่นอยู่ในอัฏฐสาลีนีเหมือนนพระพุทธโกศ า, าจารย์ท่านบอกว่าข้อความทั้งหมดข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้วในอัตถกถาธรรมสังหะที่ชื่อว่าอัฏฐสาลีนีไปดูเอาเล่ม เจสหส่วนคาถาที่สามได้ยินว่าพระเจ้าปัจจันตราชาพระองค์หนึ่งหรือพระเจ้าคุธกะราชาก็คือพระราชาองค์นี้ ส, สมบัติไม่มากะนะเป็นพระราชาที่ค่อนข้างจนหน่อยว่างั้นเถอะแล้วกษัตริย์เมืองยากว่านั้นพระองค์นี้มีพลนิกายประมาณหนึ่งพันก็เรียกว่าก็เป็นพระราชาที่ค่อนข้างจนมากเลยนะมีทหารแค่พันเดียวอะ่ะเพราะฉะนั้นทรงมีราชาสมบัติน้อยแต่มีปัญญามากนะสิ รับภายนอกไม่เยอะแต่ฉลาดวันหนึ่งเท้าเธอคิดว่าเราจะเราเนี่ยเป็นผู้ขัดสนไหมก็จริงแต่เราก็มีปัญญาอาจเพื่อจะยึดเอาชมพูทวีปทั้งสิ้นได้อย่างนี้ฉลาดนะคิดการใหญ่เลยจะครอบครองอินเดียทั้งหมดเลยอะ่ะทไงส่งทั่วแก่พระเจ้าสามมันต ร, ราสามันตาก็แปลว่ากรรษัตริย์โดยรอบนะสามมันตานตก็คือโดยรอบอะ่ะสงสารไปว่าภายในเจ็ดวันนี้จงให้ราชสมบัติแก่เราถ้าไม่ให้ก็ต้องรบ ทหารทันเดียวนั่นเนี่ยทำเป็นเก่งเหมือนกันต่อจากนั้นพระองค์ก็ประชมพวกอํามาตย์ของพระองค์ตรัสว่าก็คือเรียกว่าจะถามดูใจพวกทหารที่มันจะเคลียรว่าไงก็เลยวา่าข้าพเจ้านี้ยังไม่ได้ปรึกษาพวกท่านเลยได้ทําการผลผลันส่งทูตไปอย่างนี้แก่พระราชาชื่อโน้นนี่เราจะทําไงกันดีแหมคือถ้าปรึกษานะทหารไม่ยอมหรอกเพราะก็คำสั่งออกไปเลยบอกว่าภายในเจ็ดวันเนี่ยยกเมืองให้เราถ้าไม่ยกเมืองให้เราต้องรบกัน เสร็จแล้วพอส่งข่าวสารนั่นแหะแกล้งมาทําเป็นสำออยให้อัมมาทหารฟังบอกนี่เราพูดอย่างนี้ไปแล้วลืมปรึกษาไปว่างั้นทําไงดีว่างั้นทาานนหารอัมมาดก็ทูลว่าอัมมาดองค์ใหญ่บอกข้าแต่มหาราชพระองค์ก็อาจที่จะเรียกทูตนั้นกลับได้ไม่ใช่หรือโอ้ยงั้นก็ทรงทหารด่วนไปเรียกทูตกลับมาเร็วๆเพราะงั้นบอกไม่ได้ทําไม่ได้ เอาถ้าอย่างนั้นข่าพระองค์ก็ถูกพระองค์เนี่ยทำให้พินาฏแล้วเพราะเหตุนั้นการตายด้วยมือของคนอื่นเป็นทุกเอาเถอะข่าพระองค์จะฆ่ากันตายเสร็จแล้วก็จะฆ่าตัวตายผูกคอตายดื่มยาพิษตายสรุปงานนี้ตายแนย่ขอตายก่อนพวกน่ะอำมาตนั่นเนี่ยนะคิดว่าทําท่าจะอะไรนะเชื่อใจได้ที่สุดนะเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในที่สุดที่ไหนได้อยากตายอย่างเดียวเลยนะโอ้งานนี้ตายแนย่ก่อนที่จะให้คนอื่นตายเราขอตายเองดีกว่ากั้น ค่าตัวตายหรือจะผูกคอตายหรือจะดื่มยาพิษตายสรุปยังไงก็ได้ขอให้มันตายเถอดใช้ได้พวกอำมาตเหล่านั้นอำมาตแต่ละคนก็พรนธนาถึงความตายอย่างนี้เท่านั้นนะนะจริงๆคำว่าอำมาตก็คือพวกรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยรัฐมนตรีแต่ละคนมาบอกตายอย่างเดียวว่างั้นนะขอตายแล้วลาตายอย่างเดียวจากนั้นพระราชาก็คิดว่าจะมีประโยชน์อะไรด้วยอำมาตเหล่านั้นแล้วก็บอกดูก่อนพนายฉันเนี่ยมีทหารอยู่ ขณะนั้นทหารหนึ่งพันก็ลุกขึ้นทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าข้าพระองค์เป็นทหารทหารก็คือผู้กล้าเนี่ยนะพระราชาก็เลยคิดว่าเราจะทดลองทหารเหล่านั้นดูก็เลยสั่งให้เตรียมเชิงตะก่อนบอกว่าจุดไฟขึ้นนะนะหาฟืนมากองกองแล้วก็จุดไฟขึ้นตรัดว่าพนายฉันได้ทำการผลุนพลันชื่อนี้นะครับคือสู น, นันพลันแล่นคิดไปเอง แม้ไ่ไม่น่าตัดสินใจอะไรเร็วขนาดนี้แ่ะจริงๆก็เป็นแผนอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าจะลองดูว่าใครมีใครพักดีด้วยแค่ไหนทีนี้พวกอัมมาศก็คัดค้านการกระทําของฉันเพราะฉะนั้นฉันจะกระโดดเข้าสู่เชิงตะกอนใครมันจะกระโดดพร้อมกับฉันใครจะยอมสละชีวิตเพื่อฉันตายพร้อมกันกับเราพวกทหารห้าร้อยคนก็ลุกกันว่าพวกฆ่าพระองค์จะเข้าไปมหาราชจะขอตายด้วยกันเนืองทหารจะฆ่าตัวตายพร้อมกับพระราชาห้าร้อยคน พระราชาก็ตัดกับทหารว่าอีกห้าร้อยว่าพ่อบัดนี้ล้วที่เหลือพวกเธอห้ารอยจะทำยังไงไอทหารห้าร้อยก็กราบทูลว่าฆ่าแต่มหาราชนี่มันไม่ใช่การกระทําของลูกผู้ชายนั่นมันการกระทําของผู้หญิงเขาอะนะไออา จ, าจะฆ่าตัวตายนี่มันคิดแบบผู้หญิงเหมือนกันความจริงมหาราชก็ส่งทูตแก่อริราชแล้วพวกข้าพระองค์ ห้าร้อยนี่แหละจักรบกับพระราชาจนกว่าสิ้นชีวิตขอตายเคียงข้างกันในไหนก็คําสั่งรบไปแล้วไปรบจนตายซะดีกว่ามั้งกันจากนั้นพระราชาก็บอกว่าพวกท่านยอมสละชีวิตเพื่อเราเพราะฉะนั้นเตรียมเสนาอันประกอบไปได้วยองค์สจ่จติรงคยี่นเซนาเรียกว่าทัพช้างทับมา้าทัพรถทับพลตนูจัดทับมั้งกันเสร็จแล้วก็แวดล้อมด้วยทหารพันนึง เสร็จไปประทับยังนะชายแดนรัชสีมาแต่อยู่ในเขตแดนของตัวนะแต่ก็ได้ตั้งกองทัพไว้แล้วเตรียมจะยึดเมืองอื่นฝ่ายพระเจ้าปฏิราชนั้นก็ทรงสดับเหตุการณ์นั้นแล้วก็ดีใจว่าโอ้โหุตกราชคุตกราชว่าโอ้ยกาา ษ, กาาษยัตริย์ยากจนเหมือนกันกษัตริย์ผู้ยากไร่ไม่พอแม้แก่จะทาสของเราเนี่ยเอาทาสไปรบกว่าชนะแล้วเหมืนกันก็เลยบอกก็แล้วก็ยกกองทัพทั้งหมดเสด็จออกไปเพื่อจะรบ พระเจ้าคุธการาชพระราชายากจนเห็นพระเจ้าปฏิราชผู้นั้นยกกองทัพมาพเผชิญหน้าก็ตรัสกับพลนิกายว่าดูก่อนพ่อพวกท่านเนี่ยไม่มากทั้งหมดเนี่ยให้รวมกันให้ถือดาบถือโลวิ่งตรงไปข้างหน้าพระราชาโดยเร็ว ทหารเหล่านั้นก็ทําตามพระราชดาชํารัสคือของพวกเราเนี่ยทหารมันน้อยมันมแค่พันเดียวทางโน้นเขายกมาเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยนะวิธีที่จะให้ชนะนี่เอาอย่างเงี้ยเรามุ่งจุดเดียวว่าตีมุ่งเอาพระราชาอย่างเดียวอย่าไปตีกระจายเนี่ยตีกระจายน้ําน้อยแพ้ไฟเพราะมุ่งไปที่เดียวเนี่ยนะบุกไปจุดเดียวแล้วก็ยึดพระราชาให้ได้แผนนี้สําเร็จแน่หวังนั้นในที่สุดก็ ขณะนั้นกองทัพนั้นก็แตกออกเป็นสองส่วนเพราะมันบุกไปจุดเดียวใช่บุกไปจุดเดียวทัา น, นทหารก็แหวกออกเปิดช่องให้เป็นสองฝ่ายทหารเหล่านั้นก็จับพระราชาได้ทั้งเป็นพวกทหารเหล่าอื่นก็หลบไปเนี่ยพระราชาถูกจับทหารนี่ก็บอกโอ้ยรบต่อไปฉันก็ไม่ได้รางวัลแล้วเนี่ยนะคือไอ้ที่รบรบจริงๆอะทำท่าจะ ก, กล้าตายเนี่ยถ้าไม่มีใครจ่ายรางวัลให้ก็เลิกรบเหมือนกันแหละมันก็บอกว่าพระราชาถูกจับแล้วไปรบเพื่อใครแบบนั้นนี้กันตเลิดเปิดเปิืองไปหมด ฝ่ายพระเจ้าคุถกะราชก็วิ่งไปข้างหน้าคิดว่าเราจะฆ่าพระราช า, าจับได้ปั๊บเนีย่ยพระเจ้าพระราชาองค์เนีย่ยจะฆ่าเลยพระเจ้าปฏิราชก็ทูลขออภัยกับพระเจ้าคุถกะราชนั้นจากนั้นพระเจ้าคุถการาชก็ประทานอภัยแก่พระเจ้าปฏิราชนั้นทรงให้พระเจ้าปฏิราชนั้นทําการสาบานสาบานทําให้เป็นพวกของพระองค์สมาสาบานเป็นเพื่อนตายกันสมัยก่อนนี้เขาสาบานเขาศักดิ์สิทธิ์นะ ไม่มีแผนเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรสักอย่างหรอกแต่ถ้าเขาสาบานเป็นเพื่อนกันแล้วก็ก็เอาอย่างงั้นอะจนตายอย่างนั้นเสร็จแล้วเพื่อจะจับพระราชาพราะองค์อื่นอีกก็จับทั้งเป็นอีกใช้วิธีคล้ายๆกันเนี่ยน ะ, สะเสด็จพร้อมกับพระเจ้าปฏิราชประทับยืนนะชายแดนราชสีมาของพระเจ้าปฏิราชแล้วก็ส่งข่าวไปว่าจะให้ราชสมบัติแก่เราหรือจะทําการรบพระราชาก็เลยคิดว่าเราไม่กล้ารบคนเดียวได้ก็เลยมอบราชสมบัติให้ ทีนี้พอได้สองเมืองคู่กันแล้วปั๊บเนี่ยนะไอ้เมืองที่สามปั๊บไม่อยากละนะเท่ากับสองบหนึ่งเพราะฉะนั้นหนึ่งก็ยอมแพ้เอายกให้ก็รลมเป็นสามั้นพระเจ้าคุตการากกพาพระราชาทั้งหมดไปจนถึงจับพระเจ้าพรารณสีเพราะว่ามีกองทัพมาเยอะแล้วเนี่ย พันพระเจ้าคุตการาชเนี่ยมีกษัตริย์ตั้งร้อหนึ่งองค์ไว้ล้อมอ่ะพอยึดเมืองเล็กเมืองน้อยยึดเมืองทั่วๆไปรวบรวมแว่นแควนเนี่ยนะรวบรวมตั้งร้อยเอ็ดแว่นแคว้นมาแล้วเนี่ยนะก็กษัตริย์มาเยอะๆกองทัพมาร้อยเพื่อมายึดเมืองพาราณสีเมืองพาราณสีชื่อว่าเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นในที่สุดก็ครอบครองราชสมบัติในชมพูทวีต ท, ทั้งสิ้นสวยราชสมบัติเนี่ยนะ ปัญญาไอ้เครื่ออะไรนะทหารพันเดียวเนี่ยนั้นในที่สุดยึดได้ทั้งแผ่นดินเหมนทีนี้ต่อมาพระองค์ก็คิดว่าในการก่อนเราเป็นผู้ขัดสนแต่ก็ได้เป็นใหญ่ในชมพูทวีปทั้งสิน้นด้วยญาณนสมบัติของตนเพราะฉลาดแท้ๆเหมือนันนะนะญาณของเราใดเนี่ยประกอบด้วยโลกิยะวิริยะญาณ น, นั้นย่อมไม่เป็นไปเพื่อนิพิธามาย่อมไม่เป็นไปเพื่อปราศจากราคะทีเดียว นี้ถ้าหากว่าเราเพิ่งสแสวงหาโลกุตระธรรมด้วยยานนี้คือคือคิดเลยนะว่าโอ้เนี่ยนะปัญญาของเราเนี่ยอุตสาห์ุ่มเททั้งหมดเพื่อเอาแผ่นดินทั้งแผ่นดินได้หมดเลยนะในที่สุดก็ได้แผ่นดินทั้งหมดมาอยู่ในกำรร ม, มือเนี่ยนะแต่ว่าไอ้ปัญญาที่สแสวงหารวบรวมเอาแผ่นดินทั้งหมดไม่ได้เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายอะไรเลยไม่ได้เป็นไปเพื่อดับราคา่าโทสะโมหะอะไรเลย ทำไมเราไม่ภาคเพียรด้วยความพยายามใช้ปัญญาอย่างนี้แล้วเพียร อ, อย่างนี้เพื่อหาโลกุตระธรรมละ่ะเนี่ยนะเค่แล้วเปลี่ยนประเด็นทัน ท, ทีเลยนะตอนแรกเขาบอกจะเอาแผ่นดินเอาราชสมบัติในแผ่นดินทั้งหมดให้เป็นของเราบอกตอนนี้จะเอาโลกุตระธรรมจะนําออกจากทุกพระองค์ก็เลยพระราชทานสมบัติแก่พระเจ้ากรุงพาราสีพระองค์ก็ส่งพระราชบุตรและมเหสีกลับชนบทของตนสรุปแล้วนะเพียงแต่ว่าอวดว่าฉันฉลาดฉันสามารถรวบแผ่นดินเอาทั้งหมดอยู่ในกํามือ แต่ว่าตอนท้ายแบบเมืองใครก็เป็นเมืองของงนุษนั้นตามเดิมเหมือนกันลูกเมียก็กลับไปอยู่บ้านไปพระองค์ก็บวชเลยพระองค์ก็บวชปรารพวิปัสนากระทำให้แจ้งซึ่งปัจเจกภูธิยานเมื่อจะแสดงวิริยะสมบัติของพระองค์ว่าพระองค์นีเป็นผู้ที่มีความเพียรก็ตรัสว่าบุคคลปรารบความเพียรเพื่อบรรลุ ป, ปรมัทประโยชน์คือพระนิพพาน มีจิตใจไม่หดหูมีความประพฤติไม่เกียจคร้านมีความบากบันมั่นคงถึงพร้อมด้วยกําลังกายและกําลังยานพึงเที่ยวไปแด่ผู้เดียวดุดหนอเลชนะนั้นเนนะอธิบายว่าชื่อว่าปรารบความเพียนเพราะอาธิว่าบุคคลนั้นปรารบความเพียรแล้วพระประเจกพระพุทธเจ้าแสดงความเพียรมีวิริยารำพาะเป็นต้นของตนด้วยบทนี้นิพพานเรียกว่าประมัถะประมัถะประมัทคือนิพพาน เพื่อบรรลุประมัทธประโยชน์ด้วยการบรรลุพระนิพพานนั้นพระปัจเจกพพุทธเจ้าสแสดงผลอันพึงบรรลุด้วยวิริยาราพะเนี่ยนะวิริเยนะทุกขมัตเจติใช่บุคคลจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรความเพียร น, นี่แหละอารัฐาวิริโยประมัทธปติยาการที่จะเข้าถึงประมัทธประโยชน์ได้ก็ต้องอาศัยอารัฐวิริโยการปรารบความเพียรอย่างยิ่ง พระปัเจกพระพุทธเจ้าแสดงความที่จิตและเจตสิกอันพละวิริยะสนับสนุนวิริยะพระนะสนับสนุนแล้วเป็นธรรมชาติไม่หดหูะนะไม่ใช่ว่าทําไปแล้วก็อะไรนะเสื่องซึมเรียกาอะลีนจิตโตเนี่ยไม่ใช่เสื่องซึมหรือไม่เฉยชาเนี่ยนะบางทีเนี่ยนะอะไรนะที่บริโภคกามแล้วก็โอ้ยขวนขวายเร่งรีบโอ้ยตื่นตัวตลอดพอสมถาวิปัสสนานิจฉานะดูเลยนะ พันก็อาลีนจิตโตก็แสดงถึงความไม่เฉื่อยชาแห่งกายในการยืนนั่งและการจงกรมเป็นต้นด้วยบทว่าอากูสีตะอากูสีตะวุติแสดงความเพียรที่ตั้งมั่นเป็นไปแล้วอย่างนี้ว่าถ้าเพียรจริงจะเพียรยังไงกามังตะโจนะหารูจะร่างกายเนี่ยมันร่างกายเนี่ยนะจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดในสรีระของเราจมเหือดแห้งไปถ้าหากว่าไม่บรรลุอย่างที่ ด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษอย่างแท้จริงก็ไม่เลิกกันะนี่เขาเรียกว่าทลหนิกโมบุคคลตั้งความเพียร น, นั้นในกิจทั้งหลายมีการศึกษาตามลําดับไตรสิกขาเนี่ยนะก็ศึกาไอคำว่าเพียรในที่นี้ก็เพียรพ่อภูณะทีศีลที่จิตและทิปัญญาเรียกว่าย่อมกระทําให้แจ้งซึ่งประมัทสัตจะด้วยกายกายในที่นี้ก็คืออริยมรรคนั่นแล อีกอย่างหนึ่งแสดงความเพียรที่สัมปยุตด้วยมรด้วยบทนี้จริงอยู่ความเพียรนั้นชื่อว่านิฆมะเพราะความเพียรที่ได้แล้วด้วยการภาวนาอันมั่นคงและเพราะเป็นความเพียรที่ออกจากธรรมที่เป็นปฏิปักโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นแม้บุคคลผู้สมัครขีด้วยความเพียรนั้นหรือว่าสามัคคีด้วยความเพียรความเพียรเป็นเหตุให้คุณธรรมสามัคคีชื่อว่าทัหานิฆมะเพราะอถาว่าบุคคล น, นั้นมีความบากบันอย่าง มั่นคงบทว่าฐามะพระปัญโนความว่าถึงพร้อมด้วยกําลังกายและกําลังปัญญาในขณะแห่งมัตตอีกอย่างหนึ่งบุคคลใดถึงพร้อมแล้วด้วยกําลังอันเป็นเรี่ยวแรงเพราะเหตุนั้นบุคคลนั้นว่าชื่อว่าถึงพร้อมแล้วด้วยกําลังเรี่ยวแรงอณัติอธิบายว่าไม่ถึงอณัถึงพร้อมแล้วด้วยกําลังแห่งญาณพระปจเจกับพุทธเจ้าแสดงการประกอบวิปัสนาญาณ ยังความที่ความเพียร น, นั้นเป็นประธานให้สำเร็จโดยเย็บใครเนี่ยนะบททั้งสามก็เป็นความเพียรในเบื้องต้นท่ามกลางและอุกฤษคือสุดท้ายในเทระกถาอธิบายก็เข้าไปในจุลนิเทศเนี่ยนะอธิบายไว้อย่างกว้างขวางว่า อมตะนิพพานความสงบสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตันหาความคลายกำหนัดความดับความออกจากตันหาเครื่องร้อยรัตนิวานะนิวานะก็คือออกจากตันหาเครื่องร้อยรัตท่านเรียกว่าประมาทประโยชน์เนี่ยนะประมาทปฏิยาประมาประโยชน์ประโยชน์ที่สูงสุดที่ลึกซึ้งแท้จริงก็คือพระนิพพาน พระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นปรารบความเพียรเพื่อถึงคือเพื่อให้ได้เฉพาะซึ่งพระนิพพานเพื่อบรรลุพระนิพพานเพื่อถูกต้องพระนิพพานถูกต้องแปลว่าสัมผัสกับพระนิพพานเพื่อทําให้แจ้งพระนิพพานหรือเพื่อทําให้แจ้งซึ่งพระประมาถประโยชน์มีเรี่ยวแรงมีความบากบัน่นมั่นคงที่จะละอกุศลธรรม เพราะถ้าไม่ละกุศลธรรมไม่เจริญกุศลธรรมจะเข้าถึงพระนิพพานไม่ได้พันจะต้องละกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมไม่ทอดทุระในกุศลธรรมนะไม่ใช่ว่าทําแบบทิ้งทิว่างๆเจริญกุศลแบบปล่อยปลาละเลยไม่ใช่ทําแบบไม่ทอดทุระเอาเป็นทุระจริงๆเลยเรียกว่าปลารบความเพียรเพื่อประมัติประโยชน์ปลารบความเพียรสมาทานประพฤติกุศลเพื่อพระนิพานพานพ คำว่ามีจิตไม่ย่อหย่อนมีมีความประพฤติไม่เกียยคร้านความว่าพระประเจกสัมพุทธเจ้านั้นยังฉันถ้าให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อไม่ให้กุศลอะกุศลธรรมอลามกที่ยังไม่เกิดไม่ยอมให้เกิดขึ้นเพื่อละอกุศลธรรมอลามกที่เกิดขึ้นแล้วอันนี้ก็อะไรสังวรประธานกับปหาหนาประธาน เพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเป็นภาวนาประธานเพื่อความตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นเพื่อความพัยบุ์เพื่อความเจริญบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วอันนี้ก็เป็นอนุรักษณาประธานเชื่อว่ามีจิตไม่ย่อหย่อนมีความประพฤติไม่เกียจคร้านด้วยอาการอย่างนี้มันไม่ย่อหย่อนไม่เกียจคร้านก็คือการเจริญสัมมปาทานสี่ความเพียรโดยถูกต้อง ไม่ผิดพลาดเป็นความเพียรที่เป็นไปเพื่อตรัสรู้พระนิพพานนั่นเองอีกอย่างหนึ่งพระประเจกษัมพุทธเจ้าประคองจิตตั้งจิตเอาไว้ว่ า, าท่านประคองว่าไงเนื้อและเลือดจงเหือดแห้งไปเนี่ยนะไม่ใช่ไขมันนะนะจะเหลืออยู่แต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีถ้าหากว่าเรายังไม่ได้บรรลุอิทธผลผลที่น่าปรารถนาคืออรหัตผลเนี่ยนะ ที่การกะ บ, บุคคลผู้ปรารบความเพียรจะพึงบรรลุด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยกําลังของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษถ้าไม่บรรลุอิทธิพลคืออัตผลนั้นจกไม่หยุดความเพียรเลยพระประเจกสัมพุทธเจ้าชื่อว่ามีจิตไม่ย่อหย่อนมีความประพฤติไม่เกียจคร้านแม้ด้วยอาการอย่างนี้เรียกว่าส ล, สละอะไรสละอะไรออกไปสละเนื้อเลือด อันสละเนื้อสละเลือดให้มันแห้งไปจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกกระช่างเถอะว่าไงพระประเจกสัมพุทธเจ้านั้นประคองจิตตั้งจิตไว้ว่าเราจากไม่ทำลายบรลังนี้เหมือนว่าท่านนั่งคูบรลังนั่งขัดสมาธินี้แล้วเนี่ยนะตราบเท่าที่จิตของเรายังไม่หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมัน่นถ้ายังไม่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นะไม่ลุก พระปเจกสัมพุทธเจ้านั้นชื่อว่ามีจิตไม่ย่อหย่อนมีความประพฤติไม่เกียจคร้านด้วยอาการอย่างนี้ท่านนั่งครั้งนี้ไม่หลุดจากกิเลสเนี่ยไม่เลิกเหมือนกันพระปเจกสัมพุทธเจ้านั้นประคองจิตตั้งไว้ว่าเราจักไม่กินไม่ดื่มไม่ออกจากวิหารจักไม่เองข้างลงนอนเมื่อยังถอนลูกศอนคือตันหาไม่ได้เนี่ยนะถ้าถอนตันหาไม่ได้เนี่ยก็ขออยู่อิริยาบถนี้ตลอดไป นี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้มีจิตไม่ย่อหย่อนมีความประพฤติไม่เกียรติครานด้วยอาการอย่างนี้พระประเจกสัมพุทธเจ้านั้นประคองจิตตั้งจิตไว้ว่าเราจะไม่ลุกจากอาสนะนี้ตราบเท่าเวลาที่จิตของเรายังไม่หลุดพ้นจากกามาสะวะภวาสะวะทิฏฐาสะวะอวิชชาสะวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยตันหาอุปาทาน ประเจก้าพุทธเจ้านี้ชื่อว่ามีจิตไม่ย่อหย่อนมีความประพฤติไม่เกียดคร้านด้วยอาการอย่างนี้ต้องรู้ด้วยนะว่าเออจิตมันหลุดพ้นจากอาสวะได้อย่างไรนะจิตหลุดพ้นจากทิฏฐาสวะด้วยโสดาปฏิมักหลุดพ้นจากการมาสวะด้วยอนาคามิมักหลุดพ้นจากภาวาสวะอวิชชาสวะด้วยอรหัตตมักไม่ถือมั่นด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ถือมั่นว่าเที่ยงสุขงามยั่งยืนและ อัตตาในอุปาทานขันห้าเนี่ยนะคือเข้าใจอย่างชัดเจนแล้วว่าจะบรรลุอะไรแล้วก็นั่งไม่ใช่นั่งเผื่อจะได้บรรลุอย่างเงี้ยนะบรรลุอะไรบ ก, ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะนะเผื่อๆไปงั้นแหละแล้ว ก, ก็นั่งดูเผื่อจะรวยไปงั้นอีกอย่างหนึ่งพระประเจกษัมพุทธเจ้านั้นอ่ะนะประคองจิตตั้งจิตไว้ว่าเราจะไม่ลงจากที่จงกรมอันนี้บางองค์เนะี่ยบอกว่าถ้าไม่จะไม่เลิกเดินอ่ะนะถ้าไม่บรรลุอ่ะนะ บอกว่าจะไม่ออกจากวิหารจะไม่ออกจากเพิงจะไม่ออกจากปราสาทจะไม่ออกจากเรือนโลนไม่ออกจากถ้าจากที่เร้นจากกระท่อมจากเรือนยอกจากแม่แค่จากโรงนี้จากที่พักนี้จากหอฉันนี้มนดบนี้โคนไม้นี้หรายัึงจะอยู่โคนไหนต้นโคนต้นไม้ต้นใดถ้าไม่บรรุนะจิตของเรายังไม่หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นเราจะไม่ออกไป นี่เรียกว่ามีจิตไม่ย่อหย่อนมีความประพฤติไม่เกียดคร้านด้วยอาการอย่างนี้อริอหิตตัดโตมีตนส่งไปแล้วนี่ก็คือไม่อะไราในร่างกายและชีวิตอุทิศเพื่ออาริยมรรคเพื่อทำให้แจ้งพระนิพพาน